พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าใช้ปัญญาเพื่อหาเหตุผลวันนี้เป็นวัน ที่28พุทบพฤภาคมพุทธศักราช2 0 0พ157รห้าดวันนี้เป็นวันพระแรมส5บห้าค่เดือนหเดือนหกหมดแล้วนะอรณจธาญาติโยมนะวันเดือนหวันนี้เป็นวันสิ้นสุดแล้วก็พระวันนี้เป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยนะห้าโมงเย็นเป็นเวลาลงโบสถบอกกล่าวกันให้ทัวถึงทั้งพระใหม่เก่า แต่คณะสัตยาธาาิโจมวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำพวกเราให้สับนึกได้เลยว่าเป็นวันปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าพระอริยสาวกกุบาศ ก, กุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันรักษาศีลแต่จะให้รักษาทุกวัน อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นแปลว่ารักษาทุกวันแปลว่าเข้ามาสู่วัดแล้วหมดภาระธุระเป็นทางโลกหมดภาระธุระทางโลกพอสมควรแล้วปล่อยวางพอสมควรผู้ที่เข้ามาที่จะรักษาศีลตลอดบางคนก็รักษาศีลอุโบสถตลอดบางคนก็รักษาศีลห้าตลอดแต่ผู้ที่ยังมีภารกิจธุรกิจ หรือว่ายังมาขนาดนั้นไม่ได้นั้นก็วางทำการทำงานแล้วก็วัน8ปดค่ำสิบ้าค่ำวันพระก็จะมารักษาศีลเจดวันสมาทานศีลครั้งหนึ่งสรุปแล้วก็คือเจวันอาบน้ำครั้งหนึ่งแต่ว่าอาบน้ำคืออาบน้ำให้จิตใจชำระใจของเรา ทั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีวันไหนเเลยกัรู้สึกว่าจะมอมแมมเกินไปกายว่ า, าใจของเราจะมอมแมมเกินไปผลที่สุดก็มืดมัวมืดมนอนตการรุ่มหลงมัวเมากับกิเลสโลภโกรหลงที่ว่ามันจะดีมันไม่ดีนะ เพราะเหตุไยเพราะว่ามันไม่มีทางออกแต่ถ้าว่าเราเข้ามาศึกษาธรรมะเอาธรรมะเอาศีลธรร ม, เ, รรมเข้าสู่จิตใจอย่างน้อยก็จิตใจของเราก็ปลอดปง่งรู้จักปล่อยวางรู้จักควรจะยึดจะยึดอะไรจะปล่อยวางยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรเอาธรรมะเป็นแนวทางสำหรับพวกเราปฏิบัติ ก็จะเห็นแนวทางในชีวิตของพวกเราอย่างที่หลวงตาท่านพูดเหมือนกับเราเข้ามาอยู่ในถ้ำยังเห็น่องไปยังเห็นปลายอุมโมงค์พอลิปหลีอันนี้ก็เหมือนกันทั้งว่าพวกเราเข้ามาปฏิบัติศรรีลปฏิบัติธรรมเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจพวกเราก็จะมองเห็นว่า ทางออกของเราก็คือทางมักทางผลตามแนวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนไม่มืดมิดปิดตาจนเกินไปแต่ทางว่า พ, พวกเราไม่ได้สนใจไม่ได้คิดอะไรเลยก็เหมือนกับพวกเราอยู่ในที่มืดมืดแปดทิศแปดด้านข้างบนข้างล่าง อันนั้นแปลว่าไม่มีทางออกมีแต่รุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับการทามาหาเลี้ยงชีพอันนี้แหละทางถูกต้องความร่ำรวยมั่งมีสีสุขที่แหละความถูกต้องเราคิดแต่เพียงแค่นั้นแต่พอถึงมรณะภัยเข้ามาถึงเรายังมองไม่เห็นไอ้ตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญกันแน่วะเนี่ยจุดนี้เราเจ้าต้อ ง, อ ง, องจุด พี่ตกกังวลอย่างไม่อย่างมากอย่างแรงด้วยท่นเลไม่รู้จะทํำยังไงเพราะทั้งชีวิตชีวิตทั้งชีวิตของเราไม่ได้คิดเลยที่ว่าจะบำเพ็ญทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะศึกษาศึกษาแล้วก็นํามาปฏิบัติถ้าเรานํามามาปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าที่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ไม่ใช่เอามาหลอกลอก่อหรือว่าสอนให้คนโง่หรือว่าสอนให้คนสอนง่ายห ร, หรือว่าสอนให้คนเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็จูงไปทางไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ใช้ปัญญามองทั้งทางโลกมองทั้งทางธรรมโลกจะมาจูงมาดึงมาจ่องก็เถอะจะมาดึงมาลากเถอะก็เถอะโลกมันเป็นไร เป็นคนประเภทไหนมองออกอีกต่างหากถ้าคนมีปัญญาผู้มีศีลหรือไม่มีศีลผู้มีธรรมหรือไม่มีธรรมใน จ, ใจิตใจต้องอยู่ด้วยกันนานในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เชื่อทีเดียวนะไม่ให้เชื่อคนทีเดียวไม่ให้เชื่อง่ายคนที่จะมีศีลมีธรรมขนาดไหน คงเส้นคงวาขนาดไหนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจขนาดไหนต้องอยู่ด้วยกันนานฮะไม่ใช่ว่าเห็นหน้าเข้ามาแล้วก็ประหล่อแปรแ ล, แล้วก็เดินตามเขาไปเลยนั่นแหละโดยมากเป็นลักษณะอย่างนั้นคนที่เชื่อง่ายต้องเสียเปียบคนที่ชอบโกหกตอแหลถูกต้มได้ง่ายๆเพราะคนเชื่อง่าย แต่ถ้าว่าคนไม่เชื่อจะเลยอะไรก็ตันทุนลงังซื้อบื้อเกินไปจนไม่มีทางที่จะออกอันนั้นแกแปลว่าคนไม่ได้รับการศึกษามีแต่ทิฏฐิมานะอยู่ในจิตใจก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราต้องศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวนี่ท่านให้ศึกษาให้ํามาคิด หาเหตุผลในเรื่องนั้นๆแต่เมื่อเราคคิดคตหาเหตุผลในเรื่องนั้นๆได้แล้วนะนั่นแหละเราก็จะต้องเปรียบเทียบกับหลักธรรมคาสอนคนโบราณอกีกเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามตำรับตรำราที่เราได้ศึกษาอีกเป็นไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมถูกต้องไหมอย่างนี้เป็นตน้น มันหลายขั้นตอนนะถ้าเราได้รับการศึกษาดีแล้วนะมันจะพอตัวของมันเองสรุปแล้วถ้าเราได้รับการศึกษาแล้วทั้งปฏิบัติ ด, ด้วยทั้งภาวนาด้วยทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติมันเข้ากันได้มันยอมรับในใจของเรายอมรับหลักธรรมคำสอนของพรนะพุทธเจ้าไม่ใช่เอามาหลอกล่อ ก, กันเด่นหรือมาเดมา ต้มตุน๋นหลอกลวงให้คนเชื่อง่ายหรือว่าให้คน อ, อห้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ อ, อลากจูงไปไม่ใช่ต้องใใช้ปัญญาไม่ใช่ศรัทธานะศรัทธาใ น, ะานที่หลังศรัทธาในบางคนเชื่ออันไหนเชื่ออันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชื่อเขาว่าเขาพูดอย่างก็เชื่อหัวปักหัวปัม่มไม่ได้หาเหตุผลว่า มันเพราะอะไรเหตุเหตุไรมันต้องฟังฟังเหตุฟังผลถ้าคนมีปัญญาแล้วก็แยกแยะทุกทิ้งทุกอย่างมันมีดีมีเลวอยู่ในนั้นทั้งทีที่จะเลวทั้งหมดก็คงจะยากอีกเหมือนกันขนาดพวกเราขี้ขี้อย่างเนี้แหละขี้บัวขี้ควายขี้ค่นอะไรก็ตามที่ว่าเป็นของไม่ไม่พึงปรารถนาแต่มันก็ยังมีประโยชน์สำหรับใส่ปุ๋ยต้นไม้ได้นะ มันก็ยังมีประโยชน์ส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มันเร็วทั้งหมดปีไหมแต่ว่าเร็วทั้งหมดก็คือมนุษย์นี่แหละมนุษย์เร็วเนี่น่ากลัวน่ากลัวจะเอาทําให้เกิดประโยชน์มันก็ประโยชน์ไปทางเร็วอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราแยกแยะผู้ที่จะแยกแยะได้โดยเหตุผลนั้นๆต้องใช้ปัญญา ต้องใช้หลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าเป็นกระจกเงาหรือเป็นแนวทางมาเปรียบเทียบอันไหนควรไม่ควรแต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขั้นห ย, ยาบนะขั้นห ย, ยาบก็คือเรื่องศีล ห, ห้าเนี่ยศีลห้าเนี่แหละเป็นเป็นมาตรฐานขั้นหยาบกรองคนถ้าบอาคนใดก็ตามอยู่ในต่ํากว่าศีลห้าลงไปแล้วแปลว่าต้องระวัง ถ้าอยู่ในระดับศีลห้าเนี่ยไวเนื้อเช่ดใจได้นี่แหละอันนี้ก็คือกรองกรองขั้นแรกนะจากนั้นก็พอกกรองขึ้นมาแล้วก็เนี่ยนะกรรมบท1ิบขึ้นมาแล้วนีมาทางด้านจิตใจอีกแนีศีลห้าเสร็จแล้วแนวความคิดคิดไปในสัมมาทิฏฐิหรือคิดไปในมิจฉาทิฏฐิไงถึงจะมีศีลห้าแล้วก็เถอะก็ยังแนวความคิดจุดนั้นก็ต้อง ต้องดูอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเมื่อเราเห็นทางด้านจิตภาวนาทางด้านจิตใจถ้าว่าเป็นพรัสดารันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละยอมรับได้เป็นอริยะแหะทีเียแต่ถ้าตำนอนอกจากพรัสดารันลงไปแล้วยังยังไว้ใจไม่ได้ไม่รู้จะไปนรกหลุมไหนอีกเหมือนกันเพราะยังไม่มาตรฐานเพราะนั้นถ้าเป็นพัสดุ ดาบันเป็นพระอริยะบุคคลขั้นตน้นนั่นแหละอันนี้คือคนดีแท้แใ่ไหมในหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าท่ายอมรับเลยนะเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาบันต่อไปกระต่ายเต้าขึ้นไปเรื่อยๆเป็นพระสักขาคามีอนาคามีเป็นอรหันต์ในที่สุดนแต่ถ้าตาําจะกว่าพระโสดาบันลงมาแล้วยังไม่น่าไว้ใจไม่รู้จะไปนรก หลุมไหนไม่รู้จะไปสวนชั้นไหนไปได้ทั้งนั้นเพราะยังไม่มาตรฐานยังไม่รับรองแต่เป็นพระสูตอนบันรับรองแต่ขั้นการกรองขั้งแรกก็คือศีลห้าการกองคนคนดีและคนเลวถ้าว่าคนดีนะต้องศีลห้าไปว่ารับรองได้ถ้าอยู่ด้วยกันมากๆเลยมีศีลห้าไหมมีศีลห้าไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ในระดับ ถ้ายังไม่มีศีลห้าอย่างอาจจะมีที่รับอาจจะมีที่แจ้งในคนคนนัดนี่แหละต่อมากันเรื่องธรรมก็อยู่ในจิตใจถ้าบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเชื่อมั่นในธรรมเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาบันนั้นแปลว่าตาให้ใจได้ทุกอย่าง ขอขอให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่จะถึงขนาดนั้นได้ทำยังไงมันก็ต่อไต่เต้าไปเรื่อยๆเป็นคนดีซะก่อนให้ไหวพระหรือให้รู้จักวันพระ8ดคำส5บห้าคำอย่าได้ลดละให้ฝึกฝนอบรมจิตใจอย่างน้อยพวกเราก็จะมีความสุขทางด้านจิตใจนะนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ครับภาคภูมิใจอุ่นใจในการดำเนินชีวิตของเรา เออเราก็เป็นอย่างน้อยเรามีที่พึ่งทางจิตใจมีศีลมีธรรมมีศีลห้ามีศีลอุโบสถ เ, เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมร้ายแรงแต่ชีวิตของฆราวาสก็ยังว่าเราก็ต้องบาเพ็ญไปแต่ถึงวันนั้นเราก็เป็นวันที่ชำระ อ, อ, อาบน้าครั้งหนึ่งเ็วัน จำรักกายวาายใจครั้งหนึ่งแต่พอวั้นวันนั้นแล้วก็เอาดำรงชีวิตต่อไปนี่แหละพวกเราพวกเราน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อว่านะถ้าว่าพวกเราได้เพียงแค่นี้ก็เป็นที่อุ่นใจในระดับหนึ่งในเมื่อมีสิ่งไหนเข้ามาตัดทอนชีวิตของเรา จะเป็นกระทันหันหรืเป็นอะไรก็ตามเราก็ยังลำดึกถึงคุณงามความดีคุณงามความดีนันก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ในอนาคตนะแต่่าพวกเราไม่ได้คิดถึงจุดนี้เสียเลยมีแต่หมกมุ่นในการทำมาหาเลี้ยงชีพอันนี้แหละทางถูกต้องการทามาหาเลี้ยงชีพนี่แหละถูกต้องที่สุดเออ ผลในสุดดูๆแล้วมันคว้าน้ําเหลวนะทำไมจึงคว้าน้ําเหลวเพราะการธรรมาเลี้ยงชีพเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเลยมีแต่ธรรมาค้าขายตัวธรรมะเลี้ยงชีพในชีวิตประจำวันของเราเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอย่างอื่นบางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่พวกเราที่มาวัดสุวัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเองก็มั่นใจอย่างที่หลวงพ่อได้ พูดไว้หลายครั้งตหลายโหนว่าอาหารกายอาหารใจอาหารกายก็คือเข้าน้ําโพชนาอาหารปัจจัยสอาหารใจก็คือเข้าสู่วัฏวายศาสนาประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือชุมชนสังคมและทำขุนประโยชน์ให้กับประเทศชาติอันนั้นก็คือหาอาหารเข้าสู่จิตใจที่พวกเราเข้ามานี่ตรงพอมั่นใจว่าพวกเราเดินมาถูกทาง ถูกทางแต่ก็ยังจะให้มันทางเดินไปให้ราบรื่นไปเรื่อยๆอย่าได้ถอยหลังเพราะว่าชีวิตของเราก็อย่างว่ามันไม่ถอยหลังมันเดินก้าวหน้าไปเรื่อยๆปีนี้เท่าไหร่ปีนั้นเท่าไหร่นับขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่มันได้นะมันเสียเสียชีวิตไปเป็นเดือนๆปีๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะัตธาญาดโยม ลูกหลานทุกคนอย่าลืมอย่าไปลืมตัวอย่าไปลืมชีวิตของเราว่ามันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลักธรรมคมสอนเหมือนกับเอาความตายความแก่ความตายมาขู่กันมันไม่ใช่มาพิจะะนารณาดูแล้วเป็นการกล่าวยา้ำตักเตือนซึ่งกันและกันไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทท่านั้เองจเจีงไหม เราก็ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่พูดอะไรให้ฟังแลยจะเชื่อทั้งหมดไม่ใช่ยังบอกแล้วทีแรกว่าอย่าไปเชื่อนะต้องใช้ปัญญานะต้องกันกรองนุต้องหาเหตุผลนะพราะพุทธศาสนาทำไมให้ใช่ไม่ให้ใช้ความเชื่อทีเดียวนะท่านให้ใช้ปัญญานะกันกรองฮไตรตรองหาเหตุและผลนะนี่ยพวกเราก็ต้องหาเหตุและผลสิมันจริงไหม ถ้ามันจริงก็โอ้ใช่จริงเราควรไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทนะรควรจะประกอบสังสมคุณงามความดีอย่างน้อยชีวิตทั้งชีวิตของเราควรจะมีศีลห้ารองรับถ้าเราพอที่จะมีศีลห้าได้นะเว้นเสียแต่เราทำไม่ได้เออเป็นบางครั้งเจวันสบห้าวันอย่างวันนี้ลหละเป็นวันพระสิบห้าค่ำเดือนหกดับ เราก็ควรจะรักษาศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าล่ะจากมาก่านั้นก็ศีลอุโบสถก็ได้ก็ยิ่งดีผู้ที่พอที่จะรักษาศีลอุโบสถได้จากถ้าให้ภาวนาไม่ใช่รักษาศีลเฉยๆนะให้ภาวนาด้วยถ้ารักษาศีลเฉยๆต่อไปความเชื่อถือไม่เชื่อถือมันหลุดหล่นไปได้ง่ายๆเมือรักษาศีลแล้วไม่ภาวนา แต่รักษาศีลเสร็จแล้ให้ภาวนาเนีถ้าภาวนาจิตใจได้รับความสงบจิตใจสงบเท่านั้นแหละเท่นี่วันไหนที่ตั้งภาวนาจิตใจสงบทุกวันพระนะ่ยนั่นแหละความเชื่อมั่นในจิตในใจเนี่ยหนับหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆท่นี่ไม่เสื่อมคลายเลยท่นี่รักษาศีลเนี่ยแปลว่าจริงจังขึ้นเรื่อยๆเพราะหอะไรเพราะว่ามันเชื่ออยู่ในใจมันไม่เชื่ออยู่ที่อื่นนะ่ะ หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหลักนะถ้าใจของเรามีหลักหนักแน่นแล้วนะ่นมันไม่ได้เชื่อใครอื่นนะมันไม่ได้เชื่อพูดใครมาพูดก็พูดได้แต่ถ้าเป็นศีลเป็นธรรมพูดมายอมรับทันทีเลยถ้ามันพูดออกมาแล้วไปอีกแบบหนึ่งนะมันจะปฏิเสธในใจลึกๆเลยปฏิเสธเลยเพราะอะ เพราะใจของเรามีหลักะฉะนั้นขอให้พวกเรารักษาศีลแล้วให้ภาวนาด้วยนะเรื่องภาวนาเป็นเป็นหลักของจิตใจนะภาวนาก็อย่างที่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพุทโธพุทโธ ท, ทำจิตให้สงบห้านาที10บนาทีแต่ละวันเป็นการสังสมปรมีไปเรื่อ ย, อยสั่งสมคูนงามความดีไปเรื่อ ย, อยต่อไปกันหนักแน่น จิตใจมีหลักมีกฎมีเกณฑ์จิตใจไม่ผู้วามจิตใจไม่โมโหโกธาให้แยกแยะให้ออกโกรธไปเพื่ออะไรโลกไปเพื่ออะไรและหลงไปเพื่ออะไรต้องใช้ปัญญาแยกแยะอีกแต่ละอยะ่างไม่ใช่วาบางคนก็บอกเวลาเห็นคนภาวนา จิตใจสงบแล้วเวลากโกรธโกรธแรงมากเออใช่อาจจะมีส่วนเพราะเหตุายเพราะจิตใจมันหนึ่งเดียวจิตใจรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวจิตใจสงบพอมันออกรูกไหนมันจะออกอย่างรุนแรงให้โกรธให้ใค ร, ร, รก็โกรธแรงรักโลกโกรธหลงมันมันไปทางแรงทั้งหมดเหมือนกับ น, น้ำเลยมันไหลไปรูเดียวน้ําไม่ไหลบ่าให้มันเกร็แรงแต่ถึงอย่างไรถ้ามีปัญญาจะต้องควบคุมอยู่ได้ มมันจะโกรธไปเพื่ออะไรมันได้อะไรสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราใช้ปัญญาทบทวนเป็นเบลกให้กับพวกเราทุกๆด้านนะรับพร น, นุโมทนาให้พร